อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมฝั่งสะโบกคารณีอันชวนทัศนาเรียงรายไปด้วยไม้หูกวางขนุนสัมมรอกับทั้งไม้เลื้อชูดอกออกช่อหอมระรื่นห้อยย้อยเกอบก่ายลงมาจากปลายใบต้นตาลและมะพร้าวคล้ายกับข่แก้วมณีและแก้วประพานอันหนึ่งต้นไม้และดอกไม้ผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ทั้งในน้าและบนบกเป็นรุกขชาตเห็นได้ในเมืองมนุษย์ และไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานข้อความจากเซสวดีวิมานมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์และคำให้การของเทวดานางฟ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทวภูเหมือนปราสาทก็แปลว่าเป็นที่พักกลางทางกันดาลอย่างสมบูรณ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 มีแต่ความเรียบละมุนกลมกลึงไร้ตำหนิสะดุดตาเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะร่างเทวดาบรรดาลขึ้นด้วยอำนาจบุญฝ่ายเดียวไม่เหมือนกายมนุษย์และกายเปรตที่ถูกตกแต่งด้วยบาบุญระคนกันและยิ่งต่างเป็นคนละโลกกับกายสัตว์นรกอันควรสังเวชเพราะนั่นถูกตกแต่งด้วยบาปแต่ทายเดียวไม่มีบุญเจือ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 จะผ่านด่านได้หมดต้องจิตใจเข้มแข็งผิดธรรมดาจริงๆคุณจะรู้สึกจากส่วนลึกทีเดียวว่าตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้นนิมิตบอกลางดีทุกอย่างจะเริ่มเป็นจริงเป็นจังเมื่อคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นสว่างสวัยไร้ความกลัวตายแม้แต่น้อยสำหรับคนดีไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่า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 ก็จะไม่ให้ความรู้สึกแสนดีเท่าตอนใกล้ตายไปสู่สวรรค์เลยสักเสี้ยวเดียวสภาพแวดล้อมของเทวดาเทวดามีความเป็นอยู่ในทางเสพสุขจากกามาคุณห้าเหมือนมนุษย์คือเห็นรูปอันยวนตาได้ยินเสียงอันรื่นหูสูดกลิ่นหอมอันเร้าใจลิ้มรสอร่อยชวนน้ำลายไหลและแตะต้องเครื่องกระทบ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 ต้องอาศัยวิมานของเทพอื่นผุดเกิดเมื่อวิมานเทพผู้เป็นนายหายไปตนก็ต้องหายตามไปเกิดใหม่ตามยถากรรมอาจต้องไปอาศัยวิมานเทพอื่นอีกหรืออาจหลุดร่วงลงไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตหรือเป็นเดรัจฉานไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรดีๆอีกการสังคมในหมู่เทพก็คล้ายกับบนโลก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 ได้กว้างกว่าก็มีรัศมียิ่งใหญ่กว่าเหล่าเทวดาจะปลื้มกับบุญของมนุษย์ชั้นสูงและเหล่าญาติที่ทำคุณงามความดีแต่จะไม่ถึงขนาดดีอกดีใจเมื่อญาติอดที่ส่วนกุศลก้อนเล็กๆมาให้ตนเหมือนกับที่ไม่มีเศรษฐีหน้าไหนปราบปลืปล้มกับการมีขอทานนำเงินร้อยบาทมาให้ตนคุณต้องทาบุญอย่างใหญ่จริง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 แตกต่างจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัด